ว่างจากความเฉื่อยชาร่างที่ล้าใจที่แง้งเหมือนแกล้งทาเพราะจำใจมีชีวิตความเคลื่อนไหวเชื่องช้ากับหน้าตาอ่อนระหยอาจเป็นข้อแก้ตัวที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้น เพราะเพียงปรากฏให้คนอื่นเห็นว่ากำลังอ่อนแอก็มีสิทธิชอบทำ ก, บกับการงอมืองอเท้าหน้าเศร้าเช้าชามเย็นชามดูหน่าสงสารเต็มประดาเกิดมาหาความสดชื่นไม่เจอความเฉยนำไปสู่ความเศร้าหมองพร้อมนอนขดส่วนความว่างนำไปสู่ความรื่นเริงพร้อมทำงาน การว่างจากความเฉยไม่อาจเกิดขึ้นโดยปราศจากหน้าที่สนุกกับหน้าที่จึงว่างจากความเฉยไม่ทำเรื่อยเปื่อยจึงว่างอย่างมีพลัง